แต่ว่าในช่วงการฤทธิ์เทียวนี้ก็จะมีการบรรยายและทำความเข้าใจเรื่องสถิปติฐานสูตรร่างที่เป็นวิธีการของหลวงพ่อเทียนและที่ในตำาราผสมผสานกันไปพอที่แ ล, แล้วมาส่วนใหญ่นะน่าปฏิบัติกันบางทีเราก็ขาดความเข้าใจเมื่อขาดความเข้าใจเราก็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 หรือกระทบแล้วหลุดเลยเรามีเยหรือยังท่านตัดหลักประกันเอาไว้นะภายในเจ็ดปีเนี่ยอย่างน้อยต้องได้สองอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้สองอย่างนีถือว่ายังทําไม่ถูกเอาไปตรวจสอบดูเมื่อทําไม่ถูกเราจะทาอย่างไรเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เดินใหม่อีกเหมือนกับเดินหลงทางเมื่อเรารู้ว่าเดินทางไม่ถูกทางเราจะเดินหน้าไปเจอพืชเจอืนมันมันไม่ได้มันหลงไปเรื่อย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 ความไม่สบายกายคือทุกข์โทความไม่สบายใจคือโทมนัตความไม่สบายกายคือทุกข์ัดทุกข์ัดโทมณัตเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเอ า, าความไม่สบายใจอย่างเดียวเนะนี่ยไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายนะจะไม่มีคำสองคำนี้ก็จะมีคําใดคําหนึ่งขึ้นมาอาจจะใช้คําว่าทุกขโขอาจจะคําว่าโทมนัตโสคําใดคำหนึ่งแต่นี่ท่านใช้ทั้งสองคำเลย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 ลบหรือฝ่ายบวกไม่ว่าฝ่ายกุศลนกุศลบูรณาการทั้งนั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กระทั้งนั้นที่มันจะเกิดก็เรื่องมีเหตุปัจจัยให้เกิดเกิดด้วยเหตุปัจจัยเราใช้คําว่าปัจจัยการหรืออิทัิปัจจัยตานี่คือหลักคำว่าบูรณาการของคําสอนพระุทธเจ้าทีนี้ไอตัวที่ว่าเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้เพื่อความเพื่อการก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความพินัยลําพันธ์จ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 ความสุขเศร้าพิไรลำพันธ์ของเราเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไห น, นนะก็คือเอาเรื่องความไม่สบายกาย็รือไม่สบายใจมามาคิดมาปรุงบ่อยบ่อยเช่นเราไม่สบายใจเพราะลูกเราก็เอาเรื่องลูกความไม่สบายเรื่องลูกมาคิดบ่อยบ่อยนั่นกะ็เรียกสุขเศร้าพิไรลำพันธ์ในระดับของผู้ปฏิบัติ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 ทีนี้ไอ้รมคนบรรลุในระดับไหนนะในสังสะห5ข้อเนี่ยเป็นฝ่ายลบใส่สามเป็นฝ่ายบวกใช่สองอการเป็นอาจจะไมเจอสติปัฏฐานสีได้อย่างบุรณษการได้าสามข้อได้ถูกต้องเนี่ยมันจะเข้าถึงธรรมในสิ่งที่เราควรจะคำว่าควรจะเข้าถึงไม่ว่ามันมัน อ, อยู่ในกำลังของภูมิปัญญาของเราจะ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 ส่วนไอ้ความรู้สึกสักตวะากายเวทนานเนี่ยมันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อดตาปีสติมานะต่อเนื่องแค่ไหนแต่ถ้าอายุของการเข้าไปรู้รูปรู้นาม ร, ร, ร, ร, รู้กายเวทนาเป็นสัตว์วสั้นก็หมายความว่าอำนาจของความเพียรหรือสติสัมยาะยังไม่เข้มแข็งพออะ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 นะกายนี่มันปวดมันเมื่อยมันหนักมันเน็บมาตั้งหลายนาทีแล้วเราก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนมันเพราะจิตของเรายัางติดยึดอยู่ว่าความสงบแต่เรายอมทรมานนะยอมทรมานแทนที่จะเข้าไปาสติมาสัมปชานูกับมันนะเข้าแทนที่จะเข้าไปวิปัสสนามันเข้าไปวิปัสนาคือไปเห็นมันชัดๆัดแล้วพอจะแก้ไขเพื่อให้มันตั้งอยู่ไม่ได้ใช